คอยสังเกตเอาการภาวนาไม่ยากอะไรหรอกนะพยายามเจริญสติให้มากๆไว้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อไรเราไม่รู้หรอกอย่างความตายจะมาถึงเมื่อไรเราไม่รู้นะเราไม่ตายคนใกล้ตัวเราอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนนะทางด้านสังคมก็มีโรคระบาดมีอะไรงี้อีมันมีความไม่แน่นอนการเมือง ก, ก็เพิ่มไหว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 เราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราคนนี้ตอนเด็กๆก็เป็นเราค น, นเดิมวิธีที่จะถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานะเราก็ตามดูจิตไปคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆมันสุขก็อยู่ชั่วคราวมันทุกข์ก็ชั่วคราวมันเฉยๆก็ชั่วคราวมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่มันไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะเดี๋ยวก็โลภขึ้นมา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 ตัวขันเองก็อยู่ชัว่วคราวการที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะี่เรียกว่าเรารู้ทันความจริงและนะ้วเมื่อความจริงจิตรู้ทันความจริงเนี่ยเวลาความจริงมาปรากฏให้จิตยอมรับความจริงได้จิตก็ไม่ทุกที่จิตทุกเพราะจิตยอมรับความจริงไม่ได้เช่นะร่างกายมันจะแก่ในชะ่ไหมจิตยอมรับความจริงได้มันของธรรมดามของชั่วคราวพอใจยอมรับความจริงได้มันกะ็ไม่ท <arrival> ุกมันะะจะเจ็บมันจะตายนะ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 ก็ไม่สามารถจะเห็นนิพพานซึ่งมันอยู่เหนือภพไดนะ้แต่อเมื่อเราจเจริญสติจเจริญปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งมันไม่อายุถือในกายในใจนะมันก็พ้นความปรุงแต่งไปใจก็ไปสัมผัสพระนิพพานนิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นความสุขนะนิพพานไม่มีกิเลสนะนิพพานไม่มีขันแต่นิพพานมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย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 นะความสงบชนิดนี้สมาธาิชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาะเป็นสมาธิที่มันมีอยู่ทั่วๆ่วไปเช่นเราไปหัดนั่งสมาธินะ น, นั่งแล้วก็เคลิ้มเลิสงบนะหมดเวลาแล้วก็มีความสุขคล้ายๆหลับมาเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามีความสุขใจก็ยังเยิม้มเยิมเคลิมเคลิมติดความสุขของสมาธิออกมาเนี่ยสมาธิชนิดนี้ใช้ไม่ได้นะมันมีสมาธิชนิดหนึ่งคือสมาธิซึ่งประกอบด้วยสติ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 ดูจิตแล้วมันมีสมาธิ mm. หลวงพ่อก็พูดกับท่านนะบอกเอหลวงปู่ช่วงนั้นผมไม่ได้ฝึกเข้าสมาธิน ะ, ะทำไมหลวงปู่บอกว่าจิตผมเข้าสมาธิท่านบอกเวลาเราดูจิตมันได้สมาธิอัตโนมัติจิตเป็นตัวอรูปจิตเป็นตัวอรูปนะถ้าเวลาที่เรามีสติพอมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เราเห็นจิตเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราทำวิปัสสนา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 ตั้งใจทำอยู่เน่ ide, ถูกหรือไม่แล้วก็ก hmm> ็ถูกแล้วนะก็ดีแล้วดีกว่าไม่ทํานะเพราะฉะนั้นทุกวันไหว้พระสวดมนต์ไปเห็นใจเราหนีไปหนีมามานั<_<_่งสมาธิเห็นจิตมันฟุ้งซ่านตามรู้ตามดูมันเรื่อยจิตนี่เป็นธรรมชาติที่เหมือนเด็กนะบังคับมันไม่ได้หรอกไม่ชอบถ้าบังคับแล้วมันเครียดถ้าเครียดแล้วมันจะไม่สงบจิตที่สงบเป็นสมาธิได้พระจิตมีความสุขแล้วเราต้องหาอารมณ์ที่จิตอยู่แล้วจิตสบายมาเป็นเหยื่อล่อ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 ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ว่าใจเราไม่ชอบฟุ้งซ่านรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันจะสงบเองเวลาจะทำให้จิตสงบนะมีหลายวิธีวิธีหนึ่งเนี่ยหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาล่อเนชะ่นอยู่กับพุโทโธมีความสุขแล้วก็อยู่กับพุโทโธจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วจิตมีความสุขก็ไปอยู่กับลมหายใจแล้วจิตก็สงบนะนี่วิธีหนึ่งคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อ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 ใจมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเรียนกับหลวงพ่อเมื่อหลายเดือนแล้วมาเดินพฤศจิกานะไปเรียนแล้วมาถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนาอยู่เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าภาวนาก็กรู้หลักอยู่แล้วนี่ภาวนาก็ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็เงียบๆนะไม่พูดต่อแล้วแล้ก็ถามหลวงพ่อว่าเขาขาดวินัยในการปฏิบัติใช่ไหมบอกว่าใช่ตั้งแต่นั้นนะเดินจงกรมทุกวันเลย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 เออเนี่ยตัวไม่ชอบเนี่ยเรียกว่ายินร้ายนะเห็นไหมเราถูกความไม่ชอบครอบงําจิตล้วมันย้อมจิตได้เห็นไหมถ้าดูจิตแต่ตรงนี้นะแรงไม่พอพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วเวลานั่งอยู่บนรถรถตู้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แบบพัลลุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่ออะคะ่ะนั่งขยับมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทํานะ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 เดี๋ยวนี้ไปยืนขายของเน่ยแกทําได้นะไปยืนขายของแล้วแกก็ยืนดูใจของแกไปเลยนะคือถ้าเราไม่เลือกนะทําไปพออยู่พอกินอะไรเนี่ยไม่ถึงก็อดหรอกแล้วก็ทําเอานขอกันบ้านค่ะโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วขอบคุณค่ ะ, คคะกราบธรรมสก า, านอาจารย์ค่ะคือได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนอ่ะนะฮะแล้วก็ฝึกปฏิบัติ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 แล้วกระทบอารมณ์แลกระทบอารมณ์แล้วใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วคอยรู้เอาค่ะที่ทําที่ทํามันไปติดนิ่งไปติดนิ่งจริงๆเราควรจะจะขยับตัวรูกายมากกว่าดูจิตใช่ไหมคะอ่าขยับไว้ก่อนตอนเนี้ยคือพอเวลาที่เห็นโกรธแล้วเนี่ยมันมันมันไม่หายค่ะเหมือนมันไม่เป็นกลางหรือเปล่าไม่เป็นกลางค่ะนะอย่าไปเพ่งไว้นะเพ่งไว้หลายปีไปเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยหลวงพ่อเหนื่อยแทนเลย คุณแต่ดีอย่างเดียว <c oughs> น่าจะไม่เหี่ยวนี่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> <c oughs> อรับกลับนมหการหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในรอบสามไตมาานะครับคือกท็ที่ผ่านมาก็มีมีฉันทามากขึ้นนะครับหลังหลังจากนี้ก็คือสามเดือนหลังนี้รู้สึกจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ดูๆตัวเองไปก็เริ่มสงสัยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย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 นั่งๆเผลออยู่นี่ก็เหมือนมันมีอะไรไหวๆเบื้องขึ้นมาเหมือนจิตกระเพื่อนะครับจิตกระเพื่อแล้วกายมันกระเพื่อด้วยไม่รู้ว่าเป็นอาการสมรถะหรือว่าเป็นการรู้จรงิงๆนะครับเป็นอย่างนั้นแหละถูกทุกอันเลยอ๋อล้ครับเป็นยังไงก็ได้นะอยู่ที่ว่ามีสติรู้ทันด้วยใจที่เป็นกลาง อ, อันนี้ผมรู้อย่างถูกต้องหรือยังครับสังเกตไหมลองย้อนมาดูจิตสิมันเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกอดูออกไหม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 ทีนี้หลวงพ่อเคยบอกว่าเคยติดประพองอยู่นิดนึงะครับตอนนี้ยังประพองอยู่หรือเปล่าครับตอบหลวงพ่อสิประพองไหมน่อยนิดครับนีนิหน่อยน้อยนะไม่มากอะเพราะตอนนี้มันไปน้อมใจให้นิ่งให้ซึมมากกว่าครับรู้สึกไหมไปน้อมให้มันเรียบร้อยอะ่ะก็รู้ทันเอาใช้ได้แล้วแหละครับแล้วอย่างนี้ต้องขอการบ้านเพิ่มด้วยครับถึงเวลาก็ถึงเวลาก็แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะ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 เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะขอขมาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อให้อภัยแล้วก็รู้สึกผายใจหลวงพ่อแม่ไม่ถือโทษใครซั้งินนะอภัยทั่วโลกเลยครับอภัยทุกวันด้วยนะไม่ต้องขอว่าไงอีกที่ผมภาวนาอยู่เนี่ยครับอย่างขณะนี้เรียกว่าเพ่งอยู่ใช่ป่ะครับหรือเพ่งอยู่แต่ว่าใจมันเริ่มตื่นแล้วล่ะรู้สึกหมมันเหมือนเราตื่นกันเองจริง ใจเราเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่เพียงแต่ว่าขนาดนี้ตื่นเต้นก็นเลยเพ่งไว้ครับน่นเล็กนอยภาวนาใช้ได้นะคุณเอ่ะวัะนนี้ที่ผมฝึกตามแบบครับไม่ทราบว่าถูกจริตกับผมหรือยังครับ ค, คือเช็คลมหายใจไปคะแต่ว่าไม่ได้เพ่งลมหายใจน ะ, ะถูกต้องแล้วจิตมันถือได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาคุณรู้หรไหมมันต่างกับแต่ก่อนยังไง เห็นไหมแต่ก่อนกรรมาฐานอนยะ่างที่ทําแต่ก่อนนะจิตมันเข้าไปเกาะลมไว้แล้วมันก็นิ่งอยู่งั้นแนหะก็มีอยู่เท่านั้นเองตอนนี้พอเราไม่เกาะลมนะเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นรานกายนี้ไม่ใช่เราะบางทีก็เห็นจิ ต, จตทํางานนะเห็นไตร ล, ลักษณ์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นไตร ล, ลักษนณะ์มันไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอกคำพบข้ามชาติไม่ได้จริงต้องขอเดี๋ยวกาสนี้ขอบคุณหลวงพอนะอาา่อด้วยนะครับกล่าวนืสันหลวงพ่อเจ้าค่ะ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 คือว่าเวลาตอนเช้าผมลงมาจากห้องนอนครับเรามาเจอคอมพิวเตอร์แล้วมันรู้สึกอยากเล่นเกมอะคะเออนะอย่างที่ใช้ได้นะแล้วเล่นไหมตกหลงแล้วเล่นปะก็ถ้าเป็นวันวันเรียนผมไม่ได้เล่นแต่ว่าออถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับออมันอิสระแล้วผมจะเล่นไม่เล่นก็ได้แต่ทีนี้ผมอยากจะเลิกแล้วผมเห็นคอมพิวเตอร์แล้วมันรู้สึกกระแทกใจมากเลยเ <laughs> นั่นแหละเราดูใจของเรานะแล้ว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 ข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อนอมถวายเครื่องปัดใ จ, จทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอีโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถ า, ามณีโชติลาโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาวะอภาิวาทนาสีลิสนิจังอุธาปจายิโนจัตตาโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพะลัง